ต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปในเบื้องต้นนี้ก็ให้ว่าตาม <c oughs> ตมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้ารละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆ พุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธธัมโมสังโฆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาดิขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาหงายทับมือซ้าย วางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธินั้นโดยจุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้เกิดความสงบความสงบที่เกิดขึ้นนั้นคือความไม่นึกคิดไปทางใด แล้วก็มีความเป็นหนึ่งเกิดความสว่างเกิดความเบาอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเพราะการทำสมาธินี้มีอานิสงมากจึงต้องใช้การกระทาที่มีความอดทนสูงหากว่าเรามีความอดทนน้อยการทำสมาธิ จะให้ก้าวหน้าไปก็ก้าวหน้าไม่ไหวความอดทนนั้นมีความสำคัญมากเพราะเวลาทำสมาธินี่จิตใจชอบจะฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆหรือมิฉะนั้นก็ครุ่นคิดอยู่ภายในจิตอันนี้คือไม่มีเวลานิ่งเมื่อเวลาที่จิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้ว เกิดความนิ่งขึ้นมาความนิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยความพอเพียงคือเราได้บริกรรมมาพอเพียงหรือเราได้ทำสมาธิมาพอเพียงนั่งมานานจิตมันก็เลยเกิดความสงบขึ้นความสงบนี่เองที่จะรวมตัวกันเข้า เมื่อรวมตัวกันเข้ามากขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดพลังจิตพลังจิตนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดกระแสหรือเรียกว่าเกิดแสงสว่างเมื่อเกิดกระแสแสงสว่างเหล่านี้ขึ้นมาแล้วในระยะที่จิตมันสงบนั้นก็แสดงว่าจิตของเราได้รับการฝึกฝนมาจนกระทั่ง มีความดีเกิดขึ้นได้หรือเป็นสิ่งที่ทำให้มีการขยายตัวของการทำสมาธินี้เพราะการขยายตัวของการทำสมาธิเกิดขึ้นจากการที่จิตนั้นได้สงบอยู่บ่อยๆเมื่อจิตสงบบ่อยๆเข้าการขยายตัวของจิตก็กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในเรื่องของการบำเพ็ญ น, นั้นมีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าเราทำใจให้เย็นพยายามกระทำไปเรื่อยๆเพราะการทำให้มากนั้นเท่ากันกับว่าเราสะสมทรัพสมบัติของเราให้มากเมื่อเราสะสมทรัพสมบัติมีเงินเป็นต้นได้เยอะ เราต้องการอะไรเราก็ซื้อได้ต้องการรถซื้อรถต้องการบ้านซื้อบ้านต้องการอาหารซื้ออาหารเป็นต้นในเมื่อเงินมีมากแล้วเราจะซื้ออะไรก็ไม่ขัดข้องเหมือนกับเราพากันทำสมาธิที่ให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดมากเข้าก็ไปรวมตัวกันเกิดเป็นพลังมากยิ่งขึ้นทุกที เมื่อมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้การที่เราจะทำอะไรในเรื่องสมาธิก็เป็นของง่ายอยากจะให้จิตรวมเดี๋ยวนี้อยากให้จิตสงบเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรและในเมื่อเราทำมาถึงขั้นนี้มันก็จะต้องมีการเจริญงอกงามขึ้นไปอีกเอง เหมือน ก, นกันกับต้นไม้ต้นไม้นั้นเมื่อได้ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ตายถึงว่าน้ำไม่มีปุ๋ยไม่มีหลักชั่วระ ย, ยะหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นไม้นั้นมันเติบโตมากแล้วจากนั้นมันก็จะทรงตัวแล้วก็ผลิดอกออกผลต่างๆขึ้นมา คือความเจริญมันขึ้นไปเองมันเหมือนกับเราทำสมาธิเมื่อทำได้ที่แล้วเนี่ยต่อจากนั้นไปก็เป็นเรื่องของการดำเนินจิตที่มันจะก้าวหน้าต่อไปเป็นอัตโนมัติคือเป็นไปเองตามสภาพบางคนนั้นคิดว่าเราทำนี่ทำไมมันจึงไม่มีอะไร ไม่เห็นเกิดอะไรทำทีไรก็เห็นแต่เป็นอย่างเก่าการทำทีไรเห็นแต่เป็นอย่างเก่านั่นแหละใช้ได้แล้วเหมือนกับต้นไม้อย่างนี้เวลามันจะโตนี่มันก็โตไปพร้อมๆกันโดยอัตโนมัติที่มันจะต้องแผ่กิ่งก้านแผ่ใบแล้วต้นมันก็จะอวบขึ้นอย่างนี้ คือการเกิดขึ้นตามธรรมชาติเองมันแม้แต่สมาธิที่เรากระทาก็เหมือนกันเมื่อเราทําลงไปแล้วเนี่ยในที่สุดเมื่อมันเป็นต้นลําคือมันเป็นกําลังขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติคือเป็นอัตโนมัติมันก็จะมีการก้าวขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในเมื่อสมาธิเหล่านี้มีความเป็นขึ้นและมีความเป็นอยู่อย่างมีความมั่นคงแล้วท่านให้เจริญวิปัสสนาเพราะการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของการที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้ ราคาตัวสะโมหะที่เรียกว่ากิเลสเหล่านี้นั่นจะกาจัดออกไปได้โดวยวิปัสสนาอย่างอื่นๆนั่นก็กำจัดมันไม่ได้มีกำจัดได้อย่างเดียวก็คือวิปัสสนาเท่านั้นเพราะการเจริญวิปัสสนานั่นคือการเจริญเพื่อความละตัวร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานและตัวร่างกายอันนี้เป็นตัวที่ ให้เกิดกิเลสคือเป็นตัวประสานงานให้เกิดกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะดำเนินวิปัสสนานั้นเราจึงต้องพิจารณาดูตัวประสานงานก็คือดูตัวใจของเราเนี่ยคือดูใจในขณะที่ถ้าใจของเรานั้นประกอบด้วย แต่วความฟุง้งซ่านหรือคิดไปทางอื่นไม่มีกำลังมันก็ใช้ไม่ได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาดูให้เห็นจริงว่าสังขารทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บไข้ได้พยาธิแล้วก็ตายไปการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาถ้าเราจะเริญวิปัสสนานั้นมากๆเข้า ในที่สุดก็เกิดการบรรลุคือพ้นไปจากอาสวะกิเลสเหล่านี้ถ้าหากว่าเราทำยังไม่ทันถึงขั้นละเราไปละเองนั้นย่อมไม่สำเร็จจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำขึ้นมาให้แก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราพากันปฏิบัติความดีอยู่ทุกวันนี้ จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นการสะสมทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเราไม่ใช่มีแต่สมถะความสงบอย่างเดียวเราต้องมีวิปัสนาพิจารณาให้เห็นถึงความเกิดความดับด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราที่ได้พากันกระทําอยู่จึงไม่ผิดท่านทั้งหลายที่ดาเนินจิตอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นการดําเนินถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วที่เราจะได้พากันจะทําให้มีความเพิ่มขึ้นหรือเรียวกว่าทําเพิ่มขึ้นอีกการทําเพิ่มขึ้นนั้นก็เพื่อที่จะให้ความเจริญหรือว่าความเหตุรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในจิตของเรา อันองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะตัดสู้นั้นพระองค์ก็สเสด็จไปสู่ต้นไม้คือโพไปที่ต้นโพเมื่อไปถึงต้นโพก่อนที่จะถึงต้นโพนั้นก็ได้รับยาคาจากนายโสธิยพามแปดกำมือแล้วพระองค์ก็อธิษฐานให้ยาคานั้นเป็นเรือนแก้ว หมายถึงว่าเป็นที่นั่งสมาธิเมื่อพระองค์นั่งสมาธิอยู่ที่โคนโพนั้นพวกมารทั้งหลายก็ได้พากันมาประจน l พระองค์มีหน้าเขียวหน้าเหลืองหน้าแดงมาประจนญยิงศรยิงธนูใส่พระองค์นั้นเพื่อที่จะทำลายแต่ว่าด้วยจิตของพระองค์ที่เปียบด้วยนางธรณีนั้น พระองค์ก็ได้เรียกวุมีทั้งสามสิทธทั้นเข้ามาแล้วระดมกําลังของพระองค์ที่มีอยู่พวกมารและพยามมารที่ยิงศรพุ่งหอกแหลนเหลาใส่พระองค์ก็กลับกลายเป็นดอกบัวบูชากลับกลายเป็นดอกบัวบูชาเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคตนั้นพระองค์ก็สามารถกําจัดพวกมารและเสนามารออกไปได้ ปฐมยยามพระองค์ก็ได้สำเร็จปุเพนิวาสานุสติยานคือยานเป็นที่ะระลึกชาติผลหลังได้และในมัติมมยามนั้นพระองค์ก็จะได้สำเร็จเจตูปาตยานรู้จักว่าจะตายแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดแล้วเกิดมาจากไหนในปฐมมัยยามพระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นอาสวัคคยายาน เคยยานเป็นที่สิ้นภอยแห่งกิเลสพระองค์ก็ได้ตัดสรุพระอนุตตละสัมมาสัมโพธียานเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกอย่างนี้เมื่อพระองค์ได้ตัดสรุแล้วก็ทรงเผยแพร่พระธรรมของพระองค์ในพรรษาแรกนั่นพระองค์ก็จำพรนษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมะรุกธาญวัน ได้โปรดเพื่อพระยศสะกุลบุตรและสหายของพระยศสะกุลบุตรนั้นมีห้าสิบสี่คนแต่ท่านได้โปรดท่านปัญจวคัคคีให้ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก่อนต่อมาพระยศแล้วสาวกทั้งเพื่อนของพระยศอีกห้าสิบสี่คนนั้นก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วย ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ทั้งหมดในตอนนั้นก็เกิดพระอระหันต์เพียงหกสิบ อ, องค์ด้วยกันหรือหกสิบเอ็ดทั้งพระองค์พรองค์ทรงประกาศให้แทนทั้งหลายเหล่านั้นพากันไปประกาศพระพุทธศาสนาตามที่ต่างๆในพรรษาที่สองต่อมานั้นพระองค์ก็จำพรรสาที่เวลุวันเค ที่เวลวันนั้นเป็นสวนไม้ไผ่ถ้าเรียกให้คําเต็มเรียกว่าเวลวันทกานิวาปาสถานเป็นสถานที่ให้เหยื่อแห่งกระแตใครจะพากันไปฟันต้นไม้ไผ่ที่นั่นต้นเดียวก็ไม่ได้ต้องถูกประหารชีวิตนี่เป็นพรรษาที่สองพระองค์จำพรรษาอยู่แล้วก็ได้โปรดพระเจ้าพิมพิสาร ให้ได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วบริวารของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีอยู่อีกสิบเอ็ดมืนได้สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลเมื่อพระองค์ได้ทรงจําพรรษาอยู่ที่เวลุวันนั้นแล้วพระองค์ก็ได้แสดงโอวาทาปาฏิโมกในถ้ำกลางสงศ์ คือเป็นในวันมาฆบูชานั่นเองพระองค์จำพรรษาอยู่ที่วัดเวฬุวันในพรรษาที่สองต่อมาพระองค์ก็เสด็จจำพรรษาต่อมาที่นครสาวัตถีและพระองค์ก็จำพรรษาอยู่ที่นี่ถึงหลายสิบปียี่ก็เยี่สิบกว่าปี ในตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพานนั้นพระองค์เสด็จไปดับขันปรินิพานที่หเมืองกุศินาราได้เสด็จดับขันพระปรินิพานในที่นั้นในการเผยแพร่พระาศาสนาตลอดระยะเวลานั้นทำให้สภพวินัยศัสตร์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลทำพิเศษแห่จำนวนมากมายเหลือเกิน พระพุทธศาสนานั้นก็ได้สืบต่อมาจนกระทั่งถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ก็ได้พากันได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วพวกเราก็ได้พากันปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านโดยการที่รักษาศีลห้าบ้างรักษาศีลแปดบ้าง บวชเป็นสา ม, มนเณรรักษาศีลสิบบางบวชเป็นพระภิกษุรักษาศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดบังอย่างนี้ที่เราพากันปฏิบัติกันอยู่นอกจากการรักษาศีลแล้วเราก็พากันภาวนาผลต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการที่พวกเราทั้งหลายได้กระทํำนี้เป็นสิ่งที่เป็นของเราโดยแท้จริง ไม่ใช่เป็นของใครบางทีเราอาจจะคิดว่าเราปฏิบัตินี่เพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับคนโน้นเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดหินนินทายอย่างนี้า ก, การที่ระทำอย่างนั้นก็ไม่ได้อานิสงส์การที่จะได้อานิสงส์นั้นคือการรักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์ใจศีลเหล่านี้ก็จะ กลับมาเป็นผลเป็นประโยชน์ให้แก่พวกเราทั้งหลายและเมื่อพวกเราได้พากาน ร, รักษาศีลและได้พากันภาวนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างคือเป็นตัวอย่างแก่คุณระบุคุณลาธิดาที่เกิดมาต่อมาในสุดท้ายภายหลังได้มาเอาตัวอย่างของเรานี่กระทา การเอาตัวอย่างที่ดีก็เป็นอันว่าถูกต้องแล้วพูดที่จะเอาตัวอย่างในทางที่ไม่ดีคือพวกที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ปากนับถือพุทธศาสนาแต่ปากแต่ว่าใจไม่ได้นับถือพุทธศาสนาจึงได้ทงความชั่วต่างๆเราได้ยินข่าวถึงว่าการตีชิงวิ่งลาวการปล้นสะดม ตลอดจนกระทั่งการข่มขืนอนาจารเหล่านี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากหรือเรียกว่าเป็นบาปก็เพราะที่พวกนั้นไม่เข้าใจท่องแท้ของพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าเรามีสัญชาติไทย แล้วนับถือภษาศาสนาพุทธเอาเพียงแค่นั้นย่อมไม่สำเร็จไม่สำเร็จประโยชน์เราจะต้องพากันเสียสละกายใจของเราการเสียสละกายนั้นอย่างที่เราพากันมาจำสินอยู่ในเวลานี้หรือนั่งสมาธินี้ก็ถือว่าเราได้ พากันเสียสละในทางใจในทางการกระทําใจนี่คือการเสียสละที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระทําที่เราพากันกระทําอยู่เป็นประจําวันการรักษาศีลนั้นเจ็ดวันต่อครั้งแต่การทําสมาธินั้นเราจะทําได้ตลอด การที่เราทำไปได้ตลอดนั้นก็เพราะว่าสมาธิเป็นของง่ายเราจะทำอยู่ก็บ้านก็ได้ทำอยู่ก็วัดก็ได้เราจะไม่ทำก็ไม่มีใครว่าะไรแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ใดขี้เกียจไม่ทำสมาธินั้นอานิสงส์ที่เรียกว่าใหญ่ๆนั้นมันก็ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ ถ้าหากว่าในจิตใจของเรานั้นสะสมไปด้วยอวิชชาซึ่งมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดพัสดาพัสดาก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติอย่างนี้เมื่อมีชาติแล้วคือไม่สามารถที่จะทำลายอาวิชชาได้ก็ต้องกลับมาเกิดอีกฉเรียกควรหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ละชีวิตของคนเราเมื่อมาพิจารณาดูถึงปฏิจจสมุปบาท ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีความรู้มีความลึกซึ้งมีความรู้ลึกซึ้งอย่างนี้ว่าก่อนแต่ที่จะมาเกิดเป็นคนเนี่ยมันเอาอะไรมาก่อนก็เรียกว่าเอาความนึกความคิดมาก่อนเมื่ออาศัยความนึกความคิด อยู่ในใจของเงนของเรานั้นอย่างไรแล้วในที่สุดเราก็มาเกิดอย่างนั้นจริงๆเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปทานบางทีอย่างเกิดขึ้นมาเป็นงูบางทีเกิดขึ้นมาเป็นสุนัขบางทีเกิดขึ้นมาเป็นวัวเป็นควายอย่างนี้เรียกว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ เพราะการทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่แก้ไขตัวไม่ได้ซะแล้วคือทางที่แ่ดีที่สุดหรือทางที่เรามีความเข้าใจในตัวของเรามากที่สุดนั้นก็คือความมานานและความอดทนในจิตใจของเหล่านี้ให้เยี่ยมยอด ถ้าถ้าเรามีความอดทนเยี่ยมยอดแล้วนั้นสามารถเหลือเกินคือความสามารถที่เกิดขึ้นมากจริงๆที่จะให้แก่ตัวของมนุษย์พรามนุษย์นี้เป็นผู้มีใจสูงสูงกว่าสูงกว่าสัตว์ใดๆฉานสูงกว่าใครๆทั้งนั้นมนุษย์มนุษย์ก็มาจากคำว่า ม, มนะนณอุตตะเรียกว่าเป็นมนุษย์ต็แปลเป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐคือเป็นผู้ที่แห่มีจิตใจที่สูงมากจึงเรียกว่ามนุษย์ได้ผู้ที่มีจิตใจไม่สูงเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่มนุษย์ที่เกิดมานี้พื้นฐานต่างกัน บางคนมีพื้นฐานความชั่วมากๆบางคนมีพื้นฐานความดีมากๆคนที่มีพื้นฐานความชั่วมากๆนั้นอย่างพระเทวทัตยอย่างนี้มีพื้นฐานชั่วๆมาเยอะในอดีตพอมาถึงปัจจุบันก็เลยมาเป็นคนค้านพระพุทธเจ้าซะเลยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนแล้วก็มา ทำท่าต่างๆอันนั้นคือพื้นฐานทางจิตใจนั้นต่ำเหลือเกินแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติให้เกิดมรรคผลธรรมพิเศษได้ก็จึงได้ไปทำความชั่วจนกระทั่งแผ่นดินสูญเอาไปอย่างนี้เนียวกว่าพื้นฐานไม่ดี อย่างพวกเราก็เช่นเดียวกันที่พากันมาจําสินภาวนาอยู่มีพื้นฐานดีอย่างไรบ้างถ้ามีพื้นฐานดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ได้บุญได้กุศลเอาไปเยอะแยะมากมายไกลกองเพราะแล้วก็สามารถทำความ วิเศษเรียกว่าวิเศษให้แก่ตนสมกับคำที่ว่าเป็นมนุษย์คือเป็นผู้มีจิตใจสูงนั่นเองเมื่อเรามีจิตใจสูงจะเรียกว่าเราตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอย่างนี้ในเมื่อตายแล้วก็เกิดเกิดมาเป็นมนุษย์ซะด้วยก็แสดงว่าเราต้องสร้างบุญอะไรมาสักอย่างแล้วนี่ฉะนั้นเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ เนี่ยพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะพยายามคือใช้ความพยายามที่จะนำวิถีชีวิตของเราให้เจริญให้เจริญรุ่งเรืองนั้นไม่ใช่ว่าให้เจริญในทางโลกแต่ว่าให้มีการเจริญในทางธรรม คือหมายความถึงการปฏิบัติให้เจริญในทางธรรมการเจริญในทางธรรมนั้นถต่เป็นสิ่งอํานวยประโยชน์แม้แต่ในปัจจุบันในชาตินี้ผู้ใดมีคุณธรรมสูงผู้นั้นจะได้รับการยกย่องสรรเสริญมากมายเหลือเกินเรียกว่าได้รับการสรรเสริญจากคุณธรรมเป็นต้นสิ่งที่ไม่เรียกว่าเป็นคุณธรรมนั้น เ้าเรียกว่าสิ่งเป็นบาปเพราะว่าการที่สิ่งเป็นบาปนั้นจะมามั่วอยู่ในหัวใจของเรานั้นมันเลยทำให้พื้นฐานที่ไม่ดีอยู่แล้วพังคลื่นลงมาในชีวิตนั้นก็เป็นอันว่าหมดหวังเป็นชีวิตที่ไร้ค่าที่สุดเพราะสินก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มี ภาวนาก็ไม่มี mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนั้น mm hmm. ก็เลยหมดสภาพ mm hmm. คือหมดสภาพความดีไปซะสุด mm hmm. เพราะความที่หมดสภาพความดีเหล่านี้เองนั่นแหละ mm hmm. ก็เลยทําให้มีความไข้เข้ในตัวของตนเอง mm hmm. เกิดความไข้เข้ขึ้น แล้วเมื่อความไหวแข็งเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นก็คือความสงสัยสงสัยไปว่านารกจะมีจริงหรือเปล่าสวรรค์จะมีจริงหรือเปล่านี่ก็เลยเป็นเรื่องที่ขบคิดแหละทีนี้ว่าสวรรค์มีหรือเปล่านารกมีหรือเปล่าถ้าหากว่าสวรรค์มีทําไมไม่มีงวงจับอย่างนี้ถ้าหากว่านารก มีทำไมไม่เห็นมันมีไฟนี่มันทำให้เกิดความเห็นผิดเพราะเหตุที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความดีไม่มีความดีอยู่ในตัวเลยเกิดความเข้าใจผิดต่างๆนา น, นา น, นาลกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีนาลกก็หาว่าเขาลเลาะต้นงิ้วเขาลาะหนามออกหมดแล้ว ขึ้นสบายแล้วว่างั้นนี่คือความเข้าใจผิดเพราะว่านรกถึงแม้ว่ามีต้นยูมันก็มีหนามของมันอยู่อย่างนั้นเองมันสามารถที่จะทิ้มแทงสัตว์นรกให้เป็นจุนและวิจุนไปได้นี่หมายถึงว่าเมืองนรกเพราะฉะนั้นพื้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเนี่ จึงเป็นสิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งดีที่พวกเราจะได้เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นพละกกำลังของเราต่อไปอต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก